จนบิดาสามียอมเรียกเธอว่าเป็นมารดาจึงได้ชื่อว่ามิคารมาดาหนึ่งยสิหสิ้นหลงยอมไม่หวั่นไหวสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับนเชตะวนารามของอนาถบินทิกะเขราหาบดีใกล้กรุงสาวัตถีสมัยนั้น ท่านพระสารีบุตรนั่งคูบันลังตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าไม่ไกลาพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคแดทอดพระเนตรเห็นพระสารีบุตรเช่นนั้นจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าผู้เขาศิลาไม่หวั่นไหวตั้งอยู่ด้วยดีฉันใดเพราะสิ้นความหลงภิกษุย่อมไม่หวั่นไหวดุจผู้เขาฉะนั้น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 ให้สุปปาพุท ธ, ธะผู้เป็นโรคเรื้อนเป็นคนจนเป็นคนกำพรา้าเป็นคนขัดสนพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนสุปปพุท ธ, ธะผู้เป็นโรคเรื้อนได้เป็นบุตรของเศรษฐีในกรุงราชครึกนี้เขาเดินทางไปสู่สนามในอุทยานได้เห็นพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าทรงพระนามว่า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 เข้าไปสู่กรุงสาวัตถีเพื่อบินธรมบตัตพระองค์ได้ทอยพระเนตรเห็นเด็กๆหลายคนเหล่านั้นกําลังจับปลาอยู่จึงเสด็จเข้าไปหาแล้วตรัสว่าเด็กๆทั้งหลายพวกเธอกลัวทุกข์ไม่รักทุกข์ใช่หรือไม่เมื่อเด็กทั้งหลายกราบทูลรับว่าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าข้าพระองค์ทั้งหลายกลัวทุกข์ไม่รักทุกข์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 คนค่อมแต่มีคุณธรรมสูงสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับนเชตวนารามของอนาถบินทิกะเขเรหบดีใกล้กรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระพัฒยะผู้ค่อมซึ่งเรียกชื่อติดกันว่าละกุลตกะพัทยะเดินตามหลังภิกษุหลายรูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาค